อ่านนามสยามยุทธว่าด้วยกองทัพสยามกรุงเทพได้ยกพลนิกายไปกระทําการศึกสงครามกันกับลาวภูเขาวชาวเมืองเวียงจันทร์เป็นต้นเหตุเดิมเริ่มแรกที่จะได้ก่อการศึกสงครามกันกับเขมรยวนต่อไปเป็นศึกใหญ่ได้กระทํามหายุทธนาการในรัชการที่สกรุงเทพเมื่อจุลศกราสตร์หนึ่งร 8ปปีจออัศศกดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามเสยยมยุทธภาคที่หนึ่งตอนจบความโอหังของพระเจ้าองคงยวนพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบข้อความตามในพระราชสาร พระเจ้าเวียดนามและหนังสือองค์เลโปเสนาบดีฝ่ายยวนทั้งสองฉบับแล้วจึงมีพระราชาดำรัสว่าเจ้าเวียดนามขัดเคืองพระไทยนักจนถึงล้ำเลิกเบิกเผยเข้ามามากมายแล้วยวนจะคิดใช้สติปัญญาบ้าๆขึ้นมาอย่างไรก็ยังไม่รู้จำเป็นที่กรุงเทพจะต้อง แต่งขุนนางเป็นทูตานุทูตเชิญพระราชสารไปเรี่ยกม่มประเลาประโรมน้ำใจยวนให้อ่อนโยนลงเสียบ้างหาไม่ทางพระราชามตรีจะมัวหมองไปนานาประเทศจะติฉินนินทาไทยได้ต่างๆแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประชุมเสนาบดีแต่งพระราชสารไปถึงยวนในครั้งนี้ ให้เข้าช่วงเข้าทีชอบด้วยราชการแตงถวายด้วยกันหลายฉบับหาโปรดไม่โปรดฉบับพระยาศรีพิพัฒ ร, รัตนราชโกษาทัดแต่ให้พระยาศรีสหเทพเพ่งแก้ไขหลายบทแล้วก็โปรดให้เขียนเป็นพระราชสารและสำเนาเสร็จแล้วจึงโปรดกล้าวให้พระจักราเป็นราชทูตและขุนนางมีชื่อ ราชทูตานุทูตพร้อมกันเชิญพระราชสารไปเจริญทางพระราชเมตรีแก่กรุงเวียดนามพระราชสารนั้นตัดแต่ใจความมาว่าไว้พอเป็นสังเขปว่าพระราชสารสมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยาเสียมล่าเดียงพัฒเวียงขอเจริญทางพระราชเมตรี มาถึงสำนักสมเด็จพระเจ้าเวียดนามดึกว่างเดได้ทรงทราบใจความว่าซึ่งองค์เลโปเซนาบดีกรุงเวมีหนังสือกล่าวโทษขุนนางนายทัพนายกองฝ่ายไทยเข้ามาว่าซึ่งทุ่งวิชัยนายทัพไทยจับยวน48คนผู้ถือหนังสือมานั้นฆ่าเสียและชิดชุมชุงกิมดอง ลงนาราขุนนางนายทัพนายกองฝ่ายไทยยกทัพล่วงเข้าไปในเขตแดนหัวเมืองขึ้นของฝ่ายยวนนั้นข้อความสองข้อนี้ได้ทรงไต่ถามขุนนางผู้ใหญ่แม่ทัพและนายทัพนายกองไทยที่ขึ้นไปเมืองลาวกลับมาถึงกรุงเทพพร้อมกันจึงโปรดให้เสนาบดีไล่เลียงชำระคือพระวิชิตสงครามซึ่งคุมกองทัพเรือ รักษาด่านทางอยู่ที่เมืองคอนครพนมฝั่งแม่น้มโขงนั้นแล้วได้ไล่เลียงชําระคือหลวงจงใจยุกและคือหลวงนารารณรงค์ทั้งสามคนที่มีชื่อฟ้องมาในหนังสือกรุงเวียดนามตามที่เรียกชื่อผิดเพี้ยนนั้นได้ไล่เลียงถูกชื่อดังนี้แล้วทั้งสามคนแล้วได้ชําระไต่ถาม ตามเรื่องความที่ฟ้องกล่าวโทษมาแต่ต้นนั้นแล้วทุ่งวิชัยคิดชุมคือพระวิชิตสงครามให้การว่าซึ่งได้ฆ่ายวนลาว48คนที่ถือหนังสือมาถึงเมืองนครพนมในระหว่างศึกสงครามกับลาวนั้นเพราะเดิมมีเหตุเกิดขึ้นที่เมืองเวียงจันทร์ก่อนด้วยพวกยวนพาเจ้าอนุราชวงศ์มาส่งที่เวียงจันทร์ แล้วยวนพูดล่อลวงไทยว่าเจ้าอนุมาโดยดีไทยก็หลงเชื่อถ้อยคำยวนที่พามาส่งนั้นว่าจะไม่เป็นศัตรูแก่ไทยไทยจึงไม่ได้ระวังตัวเจ้าอนุราชวงศ์จึงยกพลเข้ามาล้อมฆ่าแม่ทัพนายกองตายสามคนไพร่าตายเจ็ดร้อยคนเจ้าอนุเจ้าราชวงศ์ฉิงเ ม, มืองเวียงจันได้เมืองเวียงจัน ได้กองการศึกมากช้านานพวกไทยเสียทีเสียรู้แก่เจ้าอนุราชวงศ์ครั้งนั้นก็เพราะไว้ใจเชื่อถือยวนจึงพากันตายมากเกือบหมดทั้งกองทัพแม่ทัพนายกองไทยที่เหลือตายอยู่บ้างที่ฝั่งพรานพลาวนั้นมีความน้อยใจแก่ยวนว่ายวนเข้าแก่เจ้าอนุผนผิดหาคิดทางพระราชาธิบีกับไทยไม่แม่ทัพนายกองไทย ได้ปรึกษาพร้อมกันลงเนื้อความเห็นว่ายวนรู้เห็นเป็นใจกับเจ้าอนุคิดพร้อมใจกันแล้วจึงพาลาวมาล่อหลอกไทยให้หลงเชื่อแล้วจึงฆ่าไทยตายครั้งก่อนนั้นไพร่เจร้อยคนนายทัพสามคนจะออกชื่อไว้ให้ยวนรู้ด้วยคือพระยาพิชัยสงครามหนึ่งพระยาทุกราชหนึ่ง หลวงสุเรนทร์วิเิตหนึ่งการเป็นดังนี้มาครั้งหนึ่งแล้วนายทัพนายกองไทยที่เหลือตายอยู่เคยเข็ดขยาดกลอุบายยวนที่เมืองเวียงจันทร์มาแล้วครั้งนี้จึงไม่มีความไว้ใจยวนห้าสิบเหมือนครั้งก่อนเมื่อแม่ทัพใหญ่ฝ่ายไทยได้ยกทัพขึ้นไปรบกับเจ้ารัชวงศ์เจ้ารัชวงศ์แตกหนีไปนั้นได้ให้ ทุ่งวิชัยชิดชุมคือพระวิชิตสงครามเป็นแม่ทัพเปรือคอยรักษาทางด่านข้างแม่น้าโขงเมืองคอนครพนมเป็นหน้าที่สิทขาดของทุ่งวิชัยชิดชุมพระยาวิชิตสงครามพระยาวิชิตสงครามต้องรับผิดชอบแต่ผู้เดียวเพราะฉะนั้นพระวิชิตสงครามจึงมีอำนาจฆ่าผู้ฟันคนทั้งคนในกองทัพหรือฆ่าสึก ก็ฆ่าได้ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ถ้าพระวิชิตสงครามรักษาด่านทางไม่ดีให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นพระวิชิตสงครามหรือตระกูลวงพระวิชิตสงครามก็ต้องตายด้วยพระราชอาชญาศึกตามกฎหมายบ้านเมืองกรุงพระมหานครศรีอยุธยาครั้งนั้นยวนและลาวได้ถือหนังสือมาในระหว่างศึกไทยกับเจ้ารัชวงศ์เจ้าอนุ กำลังยังติดพันกันอยู่พระวิคิดสงครามเห็นผิดประการคิดว่าพวกยวนกับลาวที่มาคราวหลังนี้จะมาร้ายหรือดีก็ไม่แจ้งจึงสำคัญคิดเข้าใจว่ายวนพวกนี้เป็นยวนมากับลาวคงจะเป็นพวกเจ้าอนุเจ้ารัชวงศ์ใช้มาเป็นไส้ศึกอีกแล้วเพราะพวกยวนลาวเคยมาฆ่าไทยครั้งก่อนครั้งหนึ่งแล้วเพราะเหตุทั้งนี้ พระวิชิตสงครามไม่ไว้ใจแก่ยวนห้าสิบคนที่มาคลังหลังนี้จึงได้จับยวนและลาวผู้ถือหนังสือมาทั้งนายไพร่ฆ่าเสียสี่สิบแปดคนที่เหลือตายยวนหนึ่งลาวสองต้องอาวุธป่วยลำบากพระวิชิตสงครามส่งตัวยวนหนึ่งคนลาวสองคนมาให้เจ้าพระยาราชาสุภาวดีแม่ทัพใหญ่ฝ่ายไทยได้สี่ห้าวัน ก็ป่วยหนักลงจึงตายที่ในกองทัพทั้งสามคนแล้วแต่หนังสือยวนนั้นทุ่งวิชัยชิดชุมคือพระวิชิตสงครามให้การว่าได้ใช้คนลงไปค้นหาที่ในเรือยวนมานั้นก็ไม่พบพบแต่เครื่องอาวุธและเสื้อผ้าเล็กน้อยซึ่งเป็นสิ่งของไม่มีราคาก็ถิ้งเสียแล้วการซึ่งเกิดเหตุฆ่าฟันกันล้มตายทั้งไทยและยวนนั้น เป็นท่าทางในระหว่างทางพระราชเมตรีมัวหมองไปดังนี้เพราะเหตุด้วยเจ้าอนุผู้ผิดคิดกบฏต่อการลุกลามไปต่างๆเจ้าอนุผู้เดียวพาให้สองพระนครเดือดร้อนร้าวฉานกันเสียไพร่พลด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่กรุงพระมหานครศรีอยุธยานี้มีความวิตกถึงทางพระราชเมตรียิ่งนักแต่ทรงคาดคะเนว่า นามพระไทยพระเจ้ากรุงเวียดนามคงจะทรงระลึกเห็นได้ว่าไทยตายที่เมืองเวียงจันทร์เจ็ดร้อยคนเศษเพราะเหตุยวนพาเจ้าอนุมาฆ่าไทยและไทยข่ายโยนตายที่เมืองนครพนมสี่สิแปดคนนั้นน้อยกว่าไทยตายที่เมืองเวียงจันทร์ซึ่งพระเจ้าเวียดนามจะทรงถือความผิดแก่ไทยฝ่ายเดียวนั้นทรงเห็นว่ายังจะไม่เป็นยุติธรรมเที่ยงตรงได้ด้วยยวน มาก่อเหตุให้เกิดอันตรายที่เมืองเวียงจันทน์เป็นความสัตว์จริงไทยจึงก่อเหตุฆ่ายวนตอบแทนบ้างเหนือความเป็นดังนี้แล้วแต่พระเจ้ากรุงเวียดนามจะทรงพระวินิจฉัยให้ท่องแพ้โดยทางยุติธรรมราชประเพณีทศพิษ ร, ราชธรรมมิกะวารรมบรมกษัตริย์ข้อที่ว่าชุงกิมดองคือหลวงจงใจยุทธและลงนารา คือหลวงนารารณรงค์นายกองทัพทั้งสองนี้ยกกองทัพร่วงเข้าไปในเขตแดนเมืองถูตือเมืองกัมโลเมืองตําบ่อทั้งสามหัวเมืองซึ่งเป็นเมืองขึ้นของกรุงเวียดนามนั้นซึ่งกองทัพไทยได้เดินกองทัพร่วงเกินเข้าไปในเขตแดนยวนทั้งสามหัวเมืองแต่เพียงเท่านี้ก็หาพอที่ยวนจะถือว่าไทยเป็นผิดได้ไหมเพราะไทยคิดเห็นว่า เมืองกาโลซึ่งภาษาไทยเรียกว่าเมืองพวงเมืองถูตือไทยเรียกว่าเมืองพรานเมืองตําบ่อไทยเรียกว่าเมืองชุมพรเมืองทั้งสามนี้เป็นหัวเมืองปลายเขตแดนในป่าดงพรมแดนต่อกันกับปลายเขตแดนเมืองลาวที่ขึ้นแก่ไทยกับอีกข้อหนึ่งไทยเห็นว่าเมืองพวงเมืองพรานเมืองชุมพร ทั้งสามเมืองแต่ก่อนมาสองปีสามปีก็เคยเป็นเมืองขึ้นแก่เมืองนครจังปาศักดิ์ซึ่งเป็นเมืองประเทศสราคของกรุงพระมหานครศรีอยุธยาภายหลังมาเจ้าอนุทูลขอเมืองทั้งสามนี้ไปขึ้นแก่เมืองเวียงจันทร์แล้วเจ้าอนุนําเมืองพวงเมืองพลานเมืองชมพนทั้งสามเมืองนี้ไปยกให้ขึ้นแก่ยวนด้วยเหตุดายหาทราบไม่ แม่ทัพนายกองไทยเข้าใจว่าเมืองทั้งนี้เคยเป็นหัวเมืองขึ้นอยู่ในเขตแดนไทยแต่ก่อนมาแต่เจ้าอนุนำเมืองทั้งสามนี้ให้แกยวนนั้นไทยเข้าใจว่าเมืองทั้งสามนี้ไม่เป็นสิทธิแกยวนยวนไม่ควรจะถือเป็นอาณาเขตของยวนได้เพราะเจ้าอนุไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินปกครองตลอดอาณาจักรเหนือใต้ฝ่ายไทย เมืองทั้งสามนั้นเป็นอาณาจักรของไทยเจ้าอนุจะนำเมืองในอาณาจักรไทยไปยกให้แก่ยวนไม่ได้แม่ทัพนายกองไทยคิดเห็นดังนี้จึงได้ยกกองทัพเข้าไปในเขตแดนเมืองทั้งสามตามที่ภาษายวนเรียกว่าเมืองกําโลหนึ่งเมืองถูตือหนึ่งเมืองตําบ่อหนึ่งและภาษาลาวไทยเรียกว่าเมืองพวงหนึ่ง เมืองพลานหนึ่งเมืองชุมพรหนึ่งบางทีแม่ทัพนายกองไทยหนุ่มๆใหม่ๆยังไม่รู้การโบราณการโบราณก็พากันเข้าใจว่าเมืองทั้งสามนี้เป็นหัวเมืองขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือขึ้นยวนและไทยดังเมืองลาวที่เคยมีมาแต่ก่อนก็มากเมื่อนายทัพนายกองคิดอย่างนี้ก็ถูกบ้างแต่หาสู้ตรงไม่ซึ่ง ทุ่งวิชัยคิดชุมคือพระวิชิตสงครามคิดเห็นและเข้าใจว่าเมืองทั้งสามนั้นคงเป็นหัวเมืองขึ้นอยู่ในอาณาจักรฝ่ายไทยแน่แล้วเพราะฉะนั้นพระวิชิตสงครามแม่ทัพจึงได้ใช้ให้ขุนนางนายทัพนายกองไทยสองคนที่มีชื่อโดยภาษาไทยว่าหลวงนาราปรนรงค์หนึ่งหลวงจงใจยุหนึ่ง ซึ่งภาษายวนเรียกว่าชุงกิมดองหนึ่งและลงมาราหนึ่งทั้งสองคนนี้เป็นนายทัพคุมไพรพลยกกองทัพเข้าไปในเมืองทั้งสามเพราะความเข้าใจและความมุ่งหมายจะติดตามพวกเจ้าอนุผู้เป็นกบฏต่อแผ่นดินไทยให้ได้ตัวหมดหลวงนรารณรงค์กับหลวงจงใจยศทั้งสองได้ยกกองทัพ เลยไปในเขตแดนเมืองทั้งสามโดยทั่วนั้นเพราะความประสงค์อีกประการหนึ่งเพื่อจะเที่ยวค้นหาครอบครัวหัวเมืองลาวที่ขึ้นแก่ไทยตกใจเจ้าอนุเป็นกระบวตแล้วก็รสำรสายแตกหนีไปอาศัยอยู่ในเมืองพวงเมืองพลานเมืองชุมพรถ้าพบครอบครัวก็จะได้ต้อนรับให้กลับคืนมาให้ตั้งทา ม, มาหากินโดยตามภูมลาเนาเดิมทุกบ้านทุกเมือง ในเขตแดนฝ่ายไทยไม่ให้เสียทางเมตตาแก่ไข่ฟ้าข่าแผ่น ด, ดินครั้งนั้นหลวงนาร า, ารณรงหลวงจงใจยุทธได้พบครัวลาวหนีเจ้าอนุไปอยู่ในเมืองทั้งสามนั้นมากกว่ามากก็ได้เลือกต้อนพามาแต่ครัวที่เป็นลาวในบังคับไทยเททแต่คนลาวอยู่ในบังคับยวนที่ในเมืองทั้งสามนายทัพไทยหาได้ไล่ต้อนพามาไม่ ซึ่งหากว่าไทยจะเป็นคนใจผานสันดานโลกอยากได้ครัวเมืองลาวชาวเมืองทั้งสามที่อยู่ในอำนาจบังคับของยวนมาบ้างพวกเมืองทั้งสามนั้นคงไม่มาหรือมากลางทางก็คงจะหนีไปเพราะไม่อยากจะมาอยู่ในบ้านเมืองข้างฝ่ายไทยเพราะผิดพื้นที่ทำเลทำมาหากินต่างกันข้อความที่ชี้แจงมาทั้งนี้ก็พอเห็นเป็นพยานได้บ้างว่า ไทยไม่ได้เบียดเบียนพาครอบครัวเมืองทั้งสามมาไว้ในบ้านเมืองฝ่ายไทยเลยกับข้อที่ยวนว่าชุงกิมดองคือหลวงจงใจยุหนึ่งลงนาราคือหลวงนารารณรงค์หนึ่งยกกองทัพเข้าไปเก็บเงินสวยสาอากอนกมพลเมืองทั้งสามนั้นความข้อนี้ได้ไล่เลียงสอบสวนชำระไตาถามตั้งแต่แม่พระผู้ใหญ่และผู้น้อยตลอดลงไป จนไพรพลก็หาได้ความจริงดังยวนฟ้องมานั้นไม่และได้สืบถามตามพวกราวฉเฉลยที่กวาดต้อนครัวมาไม่ได้ความจริงเลยเหนือความข้อนี้กรุงพระมหานครศรี ย, ยุธยาเข้าใจว่ากรุงเวียดนามเข้าพระไทยผิดไปตามที่พวกหัวเมืองขึ้นนาความเท็จมากราดทูลจึงทรงขัดเคืองไปตามเหตุการณ์ที่ได้ทรงทราบความนั้นอันหนึ่ง ถึงว่าเมืองทั้งสามนั้นไทยถือว่าเป็นหัวเมืองขึ้นของไทยไทยยังมีความเมตตาปราณีแก่หัวเมืองเล็กน้อยเช่นนี้ไม่เคยเรียกสวยสาอากรเลยอย่าว่าแต่หัวเมืองเล็กน้อยทั้งสามนี้เลยถึงเมืองใหญ่ดังเมืองเวียงจันทร์เมืองหลวงพระบางหรือเมืองตามลำแม่น้ําโขงซึ่งขึ้นอยู่ในอํานาจกรุงพระมหานครศรีอยุธยากรุงพระมหานครศรีอยุธยา ก็ไม่ได้เคยเรียกสวยสาอากรหรือกาเกณสิ่งของทองเงินแก่เจ้าบ้านผ่านเมืองให้ได้ความเดือดร้อนแก่ไพร่บ้านพลเมืองซึ่งเป็นเมืองพึ่งพระบรมโพธิสมภา น, นั้นไม่มีเลยกรุงพระมหาคนครศรีอยุธยาทรงรักษาเมืองประเทศราชต่างๆห่างและคิดชั้นในชั้นนอกถังปวงนั้นไว้เพื่อทรงพระมหาการณาภาพทำนุบำรงแก่สมณะพรมนาจารย์ ไพร์ฟ้าข่าขอบขันทศเสียมาอาณาจักรให้อยู่เป็นสุขพร้อมมูลทั่วหน้ากันโดยทางทศพิตราชธรรมอันมหาประเสริฐซึ่งทุ่งวิชัยชิดชุมคือพระวิชิตสงครามแม่ทัพไทยจับยวนฆ่าเสียนั้นก็เพราะเหตุที่ยวนพาเจ้าอนุมาฆ่าไทยก่อนแล้วชุงกิมดองคือหลวงจงใจยุทธกับลงนาราคือหลวงนารารณรงค์ ทั้งสองนี้เป็นนายทัพนายกองฝ่ายไทยคุมพลทหารเข้าไปตามพวกกบฏในเมืองทั้งสามนั้นก็เพราะเข้าใจว่าเมืองทั้งสามเป็นเมืองขึ้นแก่ไทยก่อนย้อนมาตัดตอนไปจากเจ้าอนุหาถูกต้องตามอย่างยุติธรรมไม่เหตุการณ์ที่เป็นที่กล่าวมานี้มีข้อความสําคัญอยู่สองข้อเท่านั้นขอให้พระเจ้ากรุงเวียดนามทรงพระราชวินิจฉัยให้ทองแท้ ตามทางธรรมสุจริตด้วยพระเจ้ากรุงเวียดนามทรงพระสติและพระปัญญาสามารถเป็นสุขุมคำพิรภาพลึกซึ้งดุดดังพระมหาสมุทรขอให้ทรงตรีรองโดยทางทศพิษ ร, ราชธรรมอันอุดมพระบรมราชปรีชาอันมหาประเสริฐองค์อาจสามารถที่จะทรงรทราบเหตุการณ์ที่เป็นไปโดยทางเท็จและจริงย่อมจะทรงทราบการตลอดได้สิ้น ด้วยพระปัญญาดังพระขันแก้วครันแต่งพระราชสารเสร็จแล้วพร้อมด้วยสิ่งของราชบัณาการสงยินดีตอบแทนสงออกไปให้พระเจ้าเวียดนามตามธรรมเนียมพระจักราราชทูตและทูตานทูตมีชื่อพร้อมกันจัดดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปทูลกล้าวถวายและกราบถวายบังคมลา เชิญพระราชสาลออกไปจำทูลถวายพระเจ้าเวียดนามราชทธูตานุทูตพร้อมกันลงเรือทะเลใช้ใบออกจากกรุงเทพแต่ณวันศุกร์เดือนสี่แลมสิบเอ็ดค่ำในปีฉลูเอกศกจุลศักหนึ่งพันหนึ่งร้อย้าส1บ9อ็ดปีเป็นปีที่หกในราชการแผ่นดินที่สามกรุงเทพพระจักราราชธูต เชิญพระราชสารออกไปกรุงเวได้เจ็ดเดือนสี่วันจึงได้กลับเข้ามาถึงกรุงเทพณวันจันทร์เดือนสิบสองขึ้นสองค่ำปีขานโทศกจุดฤากราดหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองเจ้าพระยาพระคลังนำพระจักรราราชทูตเข้าเฝ้าพระกรุณาพระจักรรากราบบังคมทูลว่า เมื่อไปถึงเมืองตามรายทางของยวนยวนรับรองเรียบร้อยตามอย่างธรรมเนียมที่ราชทูตไทยเคยไปมาแต่ก่อนทุกอย่างครั้นถึงกรุงเวเมืองหลวงของยวนแล้วได้นำสำเนาพระราชสารที่เป็นอักษรจีนภาษายวนนั้นไปมอบให้แก่องค์เลโปเสนาบดีนัดวันให้เข้าเฝ้าถวายพระราชสารพระเจ้าเวียดนามในที่ประชุมใหญ่ในพระราชวัง พระเจ้าเวียดนามได้ทรงทราบในลักษณะพระราชสารกรุงเทพดังนั้นแล้วทรงขัดเคืองจึงหาได้ทรงตรับพระราชทานพระราชปฏิสันฐานปราใสกับราชทูตไทยตามอย่างธรรมเนียมทูตเข้าเฝ้าเหมือนทุกครั้งไม่ตรับเป็นการบริภาพตัดพอต่างๆนานาด้วยเรื่องเมืองเวียงจันทร์และไทยฆ่าโยนนั้นสิ่งเดียวตรัพระสุรเสียงดังกริ้วมากนักเสด็กรับราชทูตไทย อยู่ประเดียวเสด็จขึ้นราชทูตไทยก็ออกมาจากที่เฝ้ากลับมาที่กงกวนที่พักของราชาุทูตไทยไปทุกครั้งอย่างธรรมเนียมยวนเมื่อราชาุทูตไทยไปเฝ้าแต่ก่อนนั้นเคยมีการเลี้ยงโต๊ะใหญ่พร้อมเจ้านายขุนนางผู้ใหญ่กับราชทูตไทยด้วยกันเป็นการแสดงความต้อนรับนับถือแต่ครั้งนี้ไม่มีการเลี้ยงโต๊ะใหญ่กับราชทูตไทยราชทูตไทย ไม่ได้รับพระราชทานสิ่งของรางวัลเลยอยู่มาสองสามวันองค์เลโปเสนาบดีว่าราชการต่างประเทศใช้ให้ขุนนางมาเรียกราชทูตไทยไปหาที่สึกองค์เลโปองค์เลโปพูดว่ามีรับสั่งพระเจ้าเวียดนามไม่ให้เจ้าพนรรักนานรับเครื่องราชบรรณาการสิ่งของที่ไทยจัดมาถวายนั้นแต่สักสิ่งหนึ่งเลย ให้ราชทูตไทยนำราชบรรณาการกลับคืนไปเมืองไทยให้หมดเถิดแล้วองค์เลโปนำกลองพระราชสารยวนตอบไทยมาส่งให้ในมือราชทูตไทยราชทูตไทยก็ลากลับที่พักรุ่งขึ้นเวลาเช้ามีขุนนางยวนผู้รับใช้องค์เลโปมาแจ้งความว่าราชทูตไทยจะกลับไปเมืองไทยก็ให้รีบไปเถิดอย่าอยู่ที่นี่เลย ยวนไม่รับรองเลี้ยงดูแล้วราชทูตไทยพากันไปหาองค์เลโปเพื่อจะลาก็ไม่พบขอยอยู่ครู่หนึ่งมีเด็กคนใช้ออกมาบอกว่าองค์เลโปว่าราชทูตไทยจะกลับไปเมืองไทยก็ไปเถิดไม่ต้องกราบถวายบังคมลาพระเจ้าเวียดนามแล้วไม่ต้องลาองค์เลโปเสนาบดีไม่ต้องไปหาไปลาขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อย ขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยเขาไม่รับรองราชทูตไทยครั้งนี้เหมือนครั้งก่อนแล้วให้ราชทูตไทยรีบตรงไปบ้านเมืองของตนเถิดเมื่อราชทูตานุทูตไทยได้ถูกความดูหมิ่นดูถูกของหยวนยวนขับไล่ไทยดังนั้นแล้วไทยก็พากันออกจากกรุงเวเจ้าพนักงานยวนที่เคยรับส่งต่อมาตามรายทางบกนั้นก็ไม่มีผู้ใดมารับมาส่งราชทูตไทย ราชทูตไทยต้องจ้างเกวียนจ้างโคต่างราชดรยวนบรรทุกสิ่งของใช้สอยมาตามทางบกจนถึงท่าเรือราชทูตลงเรือทะเลของไทยใช้ใบเล่นมากรุงเทพครั้งนั้นราชทูตไทยได้ความลำบากและความอัพยศอดสูแกมูนานาประเทศทั้งหลายที่อยู่ในแผ่นดินยวนเป็นอันมากกว่ามากนะักพระราชสารที่ยวนตอบมานั้น ขอตัดแต่ใจความว่าดังนี้ถ้าพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอายุทยายัางรักทางพระราชมัยตรีอยู่บ้างแล้วขอให้นำคนผู้ผิดทั้งสามคนคือทุ่งวิชัยชิดชุมชุงกิมดองลงนารามาลงพระราชาชยาเพี่ยนหลังประจานที่กลางตลาดในพระนครให้นานาประเทศเห็นพร้อมกันอย่างนี้ ทางพระราชามิปไจึงจะไม่มัวหมองและจะได้ยืดยาวเสมอต้นเสมอปลายต่อไปภายหน้าหมายเหตุมีข้อความอื่นอีกมากครั้นจะนำมาบรรยายกล่าวไว้ในที่นี้ก็จะเป็นที่สำซากยืดยาวเหลืองเจิงไปป่วยการฟังสำนวนยวนพูดซ้ำๆซากๆหาประโยชน์ไม่ทุ่งวิชัยชิดชุมนั้นคือพระวิชิตสงคราม ที่ได้เลื่อนยศขึ้นเป็นพระยาณรงค์วิชัยในกรมพระราชวังบวรชุงกิมดองนั้นคือหลวงจงใจยุดลงนารานั้นคือหลวงนารารณรงค์แต่ยวนไม่รู้จักชื่อเสียงขุนนางไทยชัดเจนก็เรียกผิดเพี้ยนไปจบหมายเหตุทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบข้อความในพระราชสารยวนและถ้อยคำพระราชจักรา ราชทูตกราบบังคมทูลพรรณน า, นาความที่ยวนดูหมิ่นดูถูกนั้นและทรงคืนสิ่งของที่ทรงยินดีออกไปกลับคืนเข้ามาหมดด้วยเมื่อได้ทรงทราบใต้ฝ่าละองธุริพบาะนั้นแล้วจึงมีพระราชดำรัสว่าทางไมตรีไทยกับยวนจะขาดกันก็ได้เป็นไรมีไทยก็ไม่ได้พึ่งบุญพึ่งวาสนายวนยวนจะทาอะไรแก่ไทยก็ไม่ได้ ไทยก็ไม่กลัวยวนเพราะพลหรือสเสบียงอาหารบ้านเมืองเขตแดนก็พอเสมอๆกันไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเมื่อยวนก่อเหตุก่อนแล้วไทยก็จะต้องสารตามยวนยวนก่อเหตุการให้ทางไมตรีมัวหมองไปเช่นนี้ตั้งแต่พระจักราไปเป็นราชทูตกลับมาได้สามปีถึงณเดือนแปดปีมะโงจัตวาศกจุลศักดาด 1,194 ปีเป็นปีที่9ในรัช ก, การแผ่นดินที่3กรุงเทพครั้งนั้นองค์เลโปเสนาบดีกรุงเวียดนามมีหนังสือถึงเจ้าพระยาพระคังเสนาบดีกรุงเทพฉบับหนึ่งใจความว่าตั้งแต่นี้สืบไปภายหน้าถ้ากรุงพระมหารครศรีอยุธยาจะมีพระราชสารออกไปยังกรุงเวียดนามแล้ว แต่สำเนาพระราชสารที่เคยเขียนเป็นอักษรจีนภาษายวนนั้นขอให้ประทับตราประจาแผ่นดินไทยแล้วขอให้บรรจุลงในกล่องงาช้างประทับตรามังกรห้าเล็บรวมกันกับพระราชสาลคู่พระราชนจกรที่เป็นอักษรไทยภาษาไทยให้รวมลงในกล่องงาช้างกล่องเดียวกันเถิดอย่าให้แยกย้ายเป็นสองฉบับและสองกล่องเลย ฝ่ายเจ้าพระยาพระคังจึงนำข้อความตามหนังสือองค์เลปโปขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาได้ทรงทราบใต้ฝ่าละองสุริพระบาทแล้วจึงมีพระราชดํารัตว่าผู้ครองฝ่ายยวนเห็นว่าสําเนาพระราชสารที่เขียนเป็นอักษรจีนภาษายวนมีปรากฏว่าเสียมล่าเดียงพัฒเวียงทํานับมาถึงสมเด็จพระเจ้าเวียดนามดึกว่างเดดังนี้แล้ว ยังไม่พอกับความต้องการยกยศสักให้สูงเกินประมาณบัดนี้ยังมีหนังสือเสนาบดีบังคับสั่งซ้ำเข้ามาอีกเล่าจะให้ไทยนำสำเนาพระราชาสารรวมกันกับพระราชสารนี้ด้วยในกล่องเดียวกันนั้นยวนมีความประสงค์จะให้เป็นพระราชาสารด้วยกันทั้งสองฉบับจะได้เป็นเกียรติยศแก่ยวนฝ่ายเดียวอนหนึ่ง ความดั่ริของผู้ครองฝ่ายยวนนั้นเห็นจะคิดเข้าใจว่าเมืองยวนเป็นบ้านใหญ่เมืองโตกว่าเมืองไทยจึงได้สั่งเข้ามาให้ไทยประทับราประจําแผ่นดินไทยลงในสําเนาพระราชสารที่เป็นอักษรจีนภาษายวนจะได้นําสําเนาที่ออกพระนามยกยศเจ้าแผ่นดินยวนเจ้าแผ่นดินยวนจะได้นําออกตีแผ่ให้นานาประเทศที่รู้จักอ่านหนังสือจีนได้ จะได้เข้าใจว่าไทยยำเยงเกรงกลัวอำนาจยวนยวนจะได้เป็นที่แสดงเกียรติยศของยวนฝ่ายเดียวยวนคิดจะกดไทยให้เป็นดังเมืองตังเกียที่เป็นเมืองขึ้นอยู่ในใต้บังคับยวนยวนทำได้ก็แต่เมืองตังเกียเถิดจะมาล่วงหลูขู่ไทยให้กลัวอย่างเมืองตังเกียและเมืองลาวสิบสองพันนานั้นไม่ได้ไทยไม่ยอมตามใจยวนแล้วอันหนึ่ง เมื่อราชทูตานุธิไทยไปถวายพระราชสารที่ยวนยวนพอใจฝากพระราชสารตอบมาเสมอทุกครั้งทุกคราวไทยก็ไม่มีความรังเกียจเดียดฉันรับพระราชสารยวนมาทุกทีครัน้นราชทูตยวนเชิญราชสารยวนเข้ามากรุงเทพไทยจะฝากพระราชสารตอบออกไปบ้างบางทีชอบใจก็รับไปบางทีไม่ชอบใจก็ไม่รับไป อย่าว่าถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินยวนแต่ฉันราชทูตยวนที่เข้ามานี้ก็เป็นแต่ขุนนางเล็กๆน้อยๆเท่านั้นก็ยังทําอํานาจโตใหญ่ตามชอบใจยวนอย่างเดียวบัดนี้เจ้าเวียดนามมินมงังองค์นี้ทําฝ่ายสูงเกินศักดิ์หนักหนาบังคับบัญชาเข้ามาตามความชอบใจถ้ายวนชอบใจอย่างทำเนียมแบบแผนไปต่างๆนานา จะแจ้งแต่งตั้งเองตามความชอบใจยวนยวนไม่ดูอย่างแบบแผนน า, นานาประเทศที่เป็นกษัตริย์บ้างไม่เคยพบไม่เคยเห็นอย่างกษัตริย์เช่นเจ้าเวียดนามมินมังองค์นี้ก่อเหตุขึ้นก่อนให้เสียมเสียทางพระราชามตรีกันและกันถึงว่าผู้ครองฝ่ายยวนจะติเตียนผู้ครองฝ่ายไทยว่าไม่รักใครอะไรในทางไมตรีต่อกันฉันใดก็ดีข้อความเหล่านี้ ว่ากล่าวตามเหตุการณ์ที่เป็นมาแต่ต้นจนปลายความก็แจ้งอยู่ในพระราชสารที่ราชทูตยวนถือเข้ามากรุงเทพอันหนึ่งไทยกับยวนก็ได้เป็นทางไมตรีกันมาช้านานนักหนาแต่ครั้งแผ่นดินพระเจ้ายาหลวงคือองค์เชียงสือซึ่งเป็นต้นวงในกรุงเวแผ่นดินยวนปัจจุบันนี้แต่ก่อนนั้นพระเจ้ายาลองผู้ครองแผ่นดินยวน จะุระอะไรก็ได้มีพระราชสารบ้างหรือมีหนังสือเสนาบดีเข้ามาบ้างในกรุงไทยพูดจาด้วยข้อความประการใดๆได้ว่ากล่าวเข้ามาโดยดีตามฉันมือเป็นกรัตราทธิราชด้วยกันโดยทางพระราชมตตรีซึ่งกันและกันโดยฉันเรียบร้อยไม่ได้มินประมาทองอาจบังคับบัญชาหรือเกินเข้ามาในกรุงไทยถึงว่า ราชทูตไทยราชทูตยวนแต่ครั้งก่อนจะไปมาหากันด้วยธุรราชการใดๆราชทูตต้องรับพระราชสารหรือหนังสือเสนาที่ตอบกันและกันทั้งสองฝ่ายไม่เหมือนผู้ครองฝ่ายยวนแผ่นดินใหม่นี้เลยมีแต่ความหมินประมาท ด, ดูถูกต่อกรุงเทพจนเหลือที่จะพรรณนาอย่าว่าแต่เมืองไทยกับเมืองยวนเป็นทางไม่ตีกันเลยถึงเมืองแขกเมืองฝรั่ง ก็ได้เคยเป็นทางพระราชมัตรีกันกับไทยมาแต่ครั้งกรุงเก่าได้มีบ้างเมืองในยุโรปเหล่านี้เมื่อเวลาเป็นมัตรี ก, กันกับไทยเขาได้ใช้ราชทูตถือพระราชสารเข้ามากรุงเก่าหนึ่งเมืองราชทูตต่างประเทศในยุโรปเขาได้รับพระราชสารตอบกลับไปแจ้งข้อราชการแก่กันทั้งสองฝ่ายเขาไม่ได้มีความรังเกยียจอะไรในการที่รับหนังสือตอบต่อกัน อย่าว่าถึงเมืองอื่นเลยคือเมืองแขกฝรั่งเขมรเหลาเมื่อเวลาเป็นใหญ่เป็นเอกราษได้เป็นทางพระราชเมตรีกันกับไทยมีบ้างแต่เมืองพม่าที่เป็นเมืองค้าสึกกันกันกบไทยนั้นถ้าพมา่ามีธุระอะไรเขาก็ได้ใช้ให้คนพมา่าถือหนังสือมาเจรจาการบ้านเมืองหรือราชการแผ่นดินอะไรรมีหลายครั้งฝ่ายไทยก็ได้มีหนังสือตอบ ปากพม่าที่เข้ามานั้นนั้นเขาก็ได้รับหนังสือตอบของไทยไปเนืองเนืองพม่าและไทยจึงได้รู้ความกันทั้งสองฝ่ายไม่เหมือนผู้ครองแผ่นดินยวนใหม่นี้คิดดัดแปลงเปลี่ยนอย่างธรรมเนียมบทกฎหมายสําหรับเมืองต่อเมืองซึ่งเป็นทางพระราชเมตรีกันยวนทําให้ผิดแบบแผนกว่าทุกประเทศได้ตรวจตราถ้อยคํายวนทุกครั้งแล้วเห็นว่าประพฤติเกินทำสุจริตราชประเพณี บรมรร ม, มิกราของพระมหากษัตริย์ราธิราชทุกประเทศทั้งปวงไทยไม่ควรจะเป็นไมตรีกับยวนได้ต่อไปหมายเหตุสิ้นข้อความตามพระกระแสพระราชดำรัตเท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชาไทยทรงขัดเคืองยวนยิ่งนักจึงมีพระราชองค์การดัมรัตสั่งเจ้าพระยาพระคังให้มีหนังสือตอบยวนไปในครั้งนี้ ให้เก็บเนื้อความตามพระราชกระแสที่ตรัสข้างต้นนี้ตอบยวนยวนไม่รับหนังสือตอบเจ้าพระยาพระคังเจ้าพระยาพระคังนำข้อความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาได้ทรงทราบแล้วโปรดกล่าวให้เจ้าพระยาบดินเดชาที่สมหานายกให้รับหนังสือตอบของเจ้าพระยาพระคังนั้นมอบให้กรมการเมือง่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่น่่่่่่่่่่่ท่่่่่่่่่่่่่ ไปส่งให้ถึงเขตยวนให้จงได้ฝ่ายเจ้าพระยาบดินเดชามอบท้องตราบัวกแก้วให้นักสุรายขมิเมืองพระตะบองเดินบกไปส่งให้ยวนนายด่านที่เมืองไทยเขตแดนยวนติดต่อกับเขตแดนขมรฝ่ายไทยเมื่อเดือนห้าปีมะเสง็งเบญจศกจุลศักดหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าส1บห้าปีเป็นปีที่สิบในราช ก, การแผ่นดินที่สามกรุงเทพ ครันเมื่อพระเมรุพระบรมศพกรมพระราชวังบวรที่ท้องสนามหลวงนั้นพระเจ้านครหลวงพระบางและพระเจ้าเชียงใหม่ลงมาช่วยในการพระบรมศพครันเมื่อการพระบรมศพเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำหลักกับพระเจ้านครหลวงพระบางว่าไทยได้ทําศึกกับเจ้าอนุเวียงจันทร์ครั้งก่อนแล้วครั้งนี้ เห็นทีจะได้ทำศึกกับยวนอีกต่อเนื่องศึกเวียงจันไปเพราะยวนดูถูกดูหมิ่นต่อกรุงเทพมากนะักบัด น, นี้ยวนก็มาเบียดเบียนปลายเขตแดนไทยตามบ้านเล็กเมืองน้อยทางตะวันออกอยู่หนึ่งเหนืองบ้างเป็นเหตุที่ยวนต่อการศึกกับไทยก่อนให้เจ้านครหลวงพระบางรีบกลับไปรักษาเขตแดนบ้านเมืองโดยเร็วเถิด เมื่อพระเจ้านครหลวงพระบางกราบถวายบังคมลาจึงพระราชทานเครื่องมหรีสำหรับใหญ่ของกรมพระราชวั a บวรให้ไปทั้งพวกมหรีผู้หญิงด้วยวงหนึ่งแล้วพระราชทานเสลรียงปิดทองพนักงานพระกฎถักทองขวางด้ามหุ้มทองคำให้เป็นเกียรติยศแก่พระเจ้านครหลวงพระบางที่สวามิภักดิ์สุจริตมิได้คิดไปเข้ากับเจ้าอนุเวียงจันทร์และลงใจด้วยราชการศึกทัพ แต่งทัพตามจับเจ้าอนุมาได้จึงเป็นความชอบมากแต่พระเจ้านครเชียงใหม่นั้นไม่ได้พระราชทานสิ่งใดเพราะทรงขัดเคืองที่กองทัพมาไม่ทันช่วยรบตีเมืองเวียงจันทร์ทรงแคลงว่าเป็นใจในเจ้าอนุอยู่บ้างในเดือนห้าปีมะเส็งเบญจศกรราชทูตยวนขุมเรือทะเลเข้ามาถึงกรุงเทพก่อนวันชักพระบรมศพกรมพระราชวังบวรแปดวัน ราชทูตานุทูตใช้ให้ล่ามไปแจ้งความต่อเจ้าพระยาพระทังเสนาบดีว่าบัดนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงเวียดนามทรงทราบข่าวคราวมาแต่จีนขมิญบอกว่าที่กรุงพระมหานครศรีอยุธยาจะทาการพระสบกรมพระราชวังบวรพระเจ้ากรุงเวียดนามทรงระลึกถึงพระราชมาตรีซึ่งเคยมีมาแต่โบราณจึงโปรดให ขุนนางยวนเป็นราชทูตานุทูตเชิญพระราชสารคุมเครื่องบรรณาการเข้ามาช่วยในการพระบรมสพกรมพระราชวังบอลองค์เตียงเจอเป็นราชทูตองค์ลำเผยโดยลำเป็นอุปทูตและองค์ยวนมีชื่ออีกสี่นายเป็นพนักงานคุมเครื่องราชบรรณาการไพรยวนมาในครั้งนั้นแปดสิบคนเป็นเรือใบทะเลใหญ่คล้ายกำปันปากปลา แล่นเข้ามาทอดสมออยู่ที่ท่าหน้าวัดคอกกระบือคือวัดยานนาวาแล้วเจ้าพนักงานไทยได้ปลูกเรือนรับราชทูตยวนให้อาศัยอยู่เย็นเป็นสุขสบายเจ้าพระยาพระคลังจึงสั่งให้ล่ามไปแจ้งความกับราชทูตยวนว่าราชทูตยวนมาจวนงานพระเมรุพระบรมศพจึงไม่ได้เฝ้าในท้องพระโรงเหมือนอย่างราชทูตเคยมาแต่ก่อนครั้งนี้โปรดให้ เฝ้าที่พระเมรุตามธรรมเนียมที่ราชทูตนานาประเทศมาในคราวพระเมรุก็ได้เฝ้าที่พระเมรุทุกทุกราชทูตองค์เตียนเจอราชทูตยวนตอบว่าตามแต่ยางธรรมเนียมไทยซึ่งจะให้เฝ้าที่ไหนราชทูตก็จะเฝ้าที่นั่นสุดแล้วแต่ทางเสนาบดีไทยเถิดเมื่อการพระเมรุนั้นโปรดกล่าวให้มิสเตอร์เอสแมนโรเบิร์ต ราชทูตอเมริกันเข้าเฝ้าหน้าพระพรามวยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประทับบนพระพราร์ทอดพระเนตรการมโหรสพแล้วได้พระราชทานผลกลระปุกและฉลากแหวนทองนาคและเครื่องของต่างๆในผลฉลากนั้นทุกๆวันวันหนึ่งราชรทูตตาณทูตได้ค้นละหกสิบผลบ้างห้าสิบผลบ้างสามสิบผลบ้างตามบรรดาศักดิ์ เป็นอย่างธรรมเนียมมีมาดังนี้ที่ราชทูตเฝ้าหน้าพระพราได้ทรงตรัสพระราชาปฏิสันฐานปราศัยด้วยทุกคนไปกว่าจะเสร็จพระเมรุครั้งนี้ไม่โปรดให้ราชทูตตาลทูตยวนเข้าเฝ้าหน้าพระพราตามแบบอย่างธรรมเนียมแต่ก่อนมาเพราะทรงขัดเคืองเจ้าเวียดนามและองเลโปเสนาบดีที่มีหนังสือเข้ามาบังคับบัญชาและดูหมิน่นดูถูกรุงเทพ เป็นเนื้อความหลายข้อแจ้งอยู่ในหนังสือองค์เลโปนั้นแล้วเป็นแต่เจ้าพนักงานกรมท่าจัดการรับราชทูตานุทูตแห่พระบรมศพดูพระมรสพที่ศาลาครู่เมื่อราชทูตยวนไม่ได้เฝ้าในท้องพระโรงและหน้าพระพราที่พระเมลุนั้นราชทูตจึงได้ไปลาเจ้าพระยาพระคังเจ้าพระยาพระคังจึงตอบราชทูตยวนว่าให้ราชทูต ขอยรอฟังพระราชกระแสดหรับรับสั่งก่อนแล้วจึงจะไปได้ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชดำรับว่าที่ไม่ให้ราชทูตยวนเข้าเฝ้านั้นเพราะว่าถ้าขืนคบค้าสมาคมกับยวนแล้วก็จะได้ความอัยยศแก่น า, นานาประเทศซึ่งเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ตั้งการค้าขายสรรพสินค้าอยู่ในกรุงเทพมหานครด้วยผู้ครองฝ่ายยวนก็เบียดเบียนบ้านเมืองปลายเขตแดนของไทยไปหลายตำบลแล้วไทยก็ไม่ได้ต่อว่าขอคืนให้เป็นที่ขุนเคืองน้าใจยวนเพราะไทยเห็นว่าบ้านเล็กเมืองน้อยตามเขตปลายแดนเช่นนี้เมื่อเขาสมัครไปพึ่งพาอาศัยขึ้นกับยวนยวนจะชอบใจรับเมืองเหล่านั้นไปในใต้อานาจยวน ก็ตามใจ ย, ยวนจะตามใจหัวเมืองเหล่านั้นเถิดไทยไม่ได้มีความรังเกียจอะไรเลยเพราะว่าไทยยังมีความอาลัยระลึก ถ, ถึงทางไมตรีซึ่งมีมาแก่ยวนแต่ก่อนเพราะฉะนั้นไทยจึงได้สู้อดอมถนอมน้ำใจยวนยวนก็หาเห็นว่าไทยรักไผ่ยวนไม่ยวนเข้าใจว่าไทยกลัวอานาจราชศักยวนยวนจึงยกย่องเจ้านายของยวน ให้เป็นใหญ่กว่ากริย์บทั้งปวงเพื่อจะได้กล่าวถ้อยคำคมขี่ไทยให้ต่ำเตี้ยกว่ายวนฝ่ายเดียวอันหนึ่งอำนาจไทยและอำนาจยวนก็เสมอกันบ้านเมืองเขตแดนสติปัญญาความคิดและเสบืองอาหารหรือทะแก้วทหารกล้าก็มีฝีมือเสมอกันไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันถึงมากว่าจะเป็นศึกสงครามกันฉันใด โยนก็ไม่ได้เหาะเหินเดินมาบนอากาศและดำดินได้ย่อมจะต้องหาผลสเสบียงอาหารและเครื่องสัพพะวุธ์มาเป็นกําลังแก่การสึกสงครามด้วยกันทั้งสองฝ่ายแม้นว่าได้รบราฆ่าฟันกันในที่สัพยุดใดๆเล่าใสก็จะได้ความเจ็บปวดล้มตายด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายไหนได้ที่ก็จะมีชัยเป็นประเพณีการสึกสงครามเช่นนี้มีมาแต่โบราณแล้วใช่ว่า ถ้าเกิดการยุทธนาค่าฟันกันกับยวนยวนจะอยู่ยงคงกระพันชาตรีหรือมีวิชาทรหดอดทนล่องหนหายตัวได้เมื่อไรเล่าเหนือหนังถูกอาวุธเข้าก็จะมีบาดแผลและตายด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่อาศัยความเพียรและความคิดเป็นประมาณจึงจะได้ชัยชนะแก่กันตามการหนักเบาการท่วามาทั้งนี้ฝ่ายยวนและฝ่ายไทยมีเสมอกัน ไม่ควรที่ยวนจะมาล่วงเกินหมินประมาทดูถูกดูแคลนต่อกรุงเทพให้เสียมเสียทางพระราชมธิรไไทยกับยวนที่รักใคร่กันมาช้านานหาควรไม่ฝ่ายยวนไม่คิดถึงบุญคุณของไทยที่ไทยได้ปกครองโอปปฐมบำรุงช่วยอุดหนุนพระราชาบิดาของยวนให้ได้ไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินยวนสืบเชื้อพระวงศ์สานวงศ์กษัตริย์ยวนตลอดมาจนถึงคุมเท่าบัดนี้ ก็เพราะอำนาจไทยในต้นวงกรุงเทพทรงทังนุบำรงยวนให้ได้เป็นใหญ่ไม่ใช่หรือยวนไม่คิดถึงการอย่างที่ว่ามานี้บ้างเลยครั้งนี้ยวนพระเจ้าแผ่นดินใหม่อยากจะได้อะไรและจะปรารถนาอย่างใดให้เป็นเกียรติยศกับฝ่ายยวนยวนก็มีคำสั่งบังคับบัญชาเข้ามาให้ไทยทําตามใจยวนปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่าง นอกจากเกี่ยงอย่างแบบแผนประเพณีเมืองที่เป็นทางพระราชเมตรีกันในนานาประเทศเจ้าเวียดนามมินมงังพระเจ้าแผ่นดินยวนใหม่นี้ทําท่วงทีตีเสมอเป็นเจ้าเป็นนายเมืองไทยพูดจา ค, ค่มขูเมืองไทยเหมือนเมืองออกเมืองขึ้นอยู่ในใต้บังคับอํานาจยวนผู้ครองยวนทําเช่นนี้นั้นผู้ครองฝ่ายไทยเหลือที่จะอดออมถนอมน้ําใจยวน และบำรงทางพระราชมธตรีกับยวนไว้ได้จำเป็นจะต้องขาดทางพระราชมธตรีกับยวนในครั้งนี้เป็นแน่แล้วถ้าเสร็จการถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระราชวังบวรแล้วเมื่อใดจึงจะให้เจ้าพระยาบดินเดชาที่สมหวนายกอัครมหาเสนาบดีผู้ใหญ่ถืออาญาสิท์เป็นแม่ทัพหลวงคุมกองทัพพลางมาโยธาหารยกไปตีเมืองขมร ซึ่งเจ้านักองจันไปขึ้นแก่ยวนและจะได้เลยไปตีเมืองยวนด้วยเป็นการตอบแทนแก้แค่ยวนให้จงได้หมายเหตุสิ้นพระราชกระแสรับสั่งบริภาทตอบยวนเท่านี้แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาพระคลังเสนาบดีมีท้องกลาตอบยวนตามพระราชกระแสรับสั่งนั้นทุกประการครั้งนั้น เจ้าพระยาพระคลังได้มอบท้องตราให้ราชทูตยวนราชทูตยวนไม่รับไปราชทูตยวนพูดว่าให้ไทยแต่งราชทูตออกไปเมืองยวนจึงจะควรเมื่อราชทูตตาณทูตยวนไม่ได้เฝ้าพระเจ้าอยู่หัวแล้วนั้นราชทูตยวนก็โกรธจึงได้ไปลาเจ้าพระยาพระคลังเจ้าพระยาพระคลังไม่ออกมารับลาราชทูตยวนราชทูตยวนไปลาพระยาโชดึกราชเสถียครั้งนั้น โปรดกล่าวให้เจ้าพระยาพระคลังสั่งเจ้าพระ ง, งานไทยให้จัดเครื่องราชบรรณาการของยวนที่ราชทูตยวนนําเข้ามาครั้งนี้นั้นส่งคืนให้ราชทูตยวนรับไปเมืองยวนเสียเถิดไม่โปรดให้เจ้าพระ ง, งานไทยรับราชบรรณาการยวนไว้แต่สักสิ่งหนึ่งเพื่อจะไม่ให้เป็นเยื่อใหยไมตรีแก่กันโปรดกล่าวให้คืนราชบรรณาการยวนกลับไปครั้งนี้เป็นการตอบแทนแก่ยวน เมื่อยวนไม่รับราชบัณนาการไทยไว้คืนให้พระราชกราชราชทูตไทยเข้ามาครั้งก่อนเป็นเหตุที่ยวนทําแก่ไทยก่อนไทยต้องทําตอบแทนยวนบ้างครั้งนั้นเจ้าพนักงานกรมท่าซ้ายได้นําสิ่งของราชบัณนาการของยวนไปส่งคืนให้แก่ราชทูตยวนราชทูตยวนรับไว้ทุกสิ่งเว้นแต่น้ําตาลกรวดน้ําตาลทรายเท่านั้นยังไม่ได้ส่งคืนเพราะว่า เจ้าพนักงานไทยรับมารักษาไว้ไม่ดีฝนตกถูกเปียกชื้นเสียหมดแล้วเป็นน้ำตาลกรวดสามสิบหาบกับน้ำตาลทรายสามสิบหาบซึ่งเป็นของยวนมาช่วยสดับประกรณพระบรมศพกรมพระราชวังบว์ครั้นทรงทราบความดังนั้นแล้วจึงโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาพระคลังจัดซื้อน้ำตาลกรวดน้าตาลทรายขาวอย่างละสามสิบหาบไปใช้ให้ยวนครั้งนั้น ราชทูตยวนไม่รับน้ำตาลที่ไทยใช้ให้ราชทูตยวนว่าน้ำตาลที่ไทยใช้ให้นั้นดำไม่เหมือนน้ำตาลของยวนยวนจึงไม่รับไปฝ่ายเจ้าพระยาพระคลังจึงได้คิดเงินเป็นราคาค่าน้ำตาลใช้ให้ยวนยวนก็ไม่รับเงินไปฝ่ายเจ้าพนักงานไทยก็ไม่รับขนน้ำตาลของไทยที่ใช้ให้นั้นขึ้นจากเรือยวนราชทูตยวนสั่งให้ไพร่ยวนขนน้ำตาลของไทย ถิ้งน้ำเสียหมดที่กลางแม่น้ำหน้าวัดคอกระบือแล้วพวกยวนก็ช่วยกันโล่เรือใหญ่ลงไปถึงคุ้งบางกระบัวหน้าเมืองนครเขื่อนขันเป็นเวลาบ่ายน้ำลงเชี่ยวราชทูตยวนขนราชบัณาการของยวนถิงน้ำอย่างละเล็กละน้อยที่จมน้ำเสียก็มีมากที่ลอยน้ำนั้นคือกระลำพักเนื้อไม้จันทนาและแพยวน ผ้าขาวตังเกียหลายม้วนหลายพับพวกมอญชาวเมืองนครเขื่อนขันหารู้อะไรไม่ภายเรือออกเก็บสิ่งของที่โยนทิ้งน้ำลอยอยู่นั้นพวกราชชุดยวนเห็นก็พากันหัวเราะแล้วจึงโล่เรือเร่งรีบออกไปนอกสันดอนหลังเต่าปากอ่าวเมืองสมุทรปราการได้ในเวลาเย็นค่ำวันนั้นเมื่อทรงทราบใต้ฝ่ารองสุรีพระบาทว่าราชชุดยวนทิ้งน้าตาลของไทยที่ใช้ให้นั้นหมด จึงกลับว่าไอ้ยวนขี้ข้าที่เข้ามาในนี้ก็จองหองเหมือนเจ้านายมันทําองค์อาจทิ้งน้ําตาลประชดไทยให้ได้ความอับยศอดสูแก่ไพ่บ้านพลเมืองและชาวต่างประเทศที่อยู่ในกรุงจะว่าไทยกลัวอํานาจไอ้ยวนไอ้ยวนชวนวิวาทก่อเหตุแล้วจําเราจะทําตามที่มันก่อเหตุก่อนยึงจะชอบด้วยการวิวาทนั้น จึงโปรดให้เจ้าพระยาพระคลังจัดเรือรบปากปลาท้ายกำปั่นแปลงที่เจ้าพระยาคนครศรีธรรมราชต่อไว้สำหรับรักษาบ้านเมืองเข็นออกจากโรงตรงหน้าวัดสังกจายสิบลำผลทหารแจวครบทุกลำสวมเสื้อแดงกางเกงแดงหมวกแดงมีอาวุธครบมือทุกคนลากปืนใหญ่ลงหน้าเรือสีสาเรือลำละหกบอกทุกลำให้ทหารฝรั่งแม่นปืน พวกบ้านกระดีจันทร์ลงประจำปืนใหญ่ทุกระบอกพร้อมแล้วโปรดให้พระยาราชวังสรรเป็นแม่กองคุมเรือรบสิบลำพลเจวพลทหารในเรือรบสิบลำรวมเป็นคนสี่ร้อยคนให้รีบลงไปติดตามเรือราชทูตยวนถ้าพบที่ไหนให้จับตัวนายมาที่นั่นถ้าต่อสู้ให้ค่าเสียให้หมดอย่าไว้ชีวิตมันให้หลวงสุรเสนีคุมเรือกองรบปองหน้าห้าลำ ให้พระยาราชวังสันขุมเรือกองลบ ก, กองหลังห้าลำให้ยกลงไปตามยวนจนถึงริมสันดอนปากอ่าวเมืองสมุทรปราการก็หาทันเรือราชทูตยวนไม่เรือราชทูตยวนได้ลมดีฉายใบแลนหนีออกไปตกลึกก่อนหน้าเรือพระยาราชวังสันพระยาราชวังสันตามไม่ทันแล้วก็กลับเข้ามากรุงเทพครั้นนั้นทรงจะให้จัดเรือกำปัน่นไปไล่จับสลัดออกไป ตามเรือราชทูตยวนจนสิ้นเขตแดนเมืองกัมปอดประสงค์จะจับเรือราชทูตยวนให้ได้มาลงโทษครั้นนั้นท่านเจ้าพระยาบดินเดชากราบบังคมถวายกรุณาขัดขวางเสียว่าเห็นจะไม่ทันเรือราชทูตยวนยวนเป็นเรือเล็กและเละ่นหนีลัดไปในซอกเกาะได้คงจะหนีไปถึงบ้านเมืองยวนก่อนเรือกัมปันจะตามไปไม่ทัน เพราะฉะนั้นการที่จะจัดเรือกำปั้นไปติดตามยวนนั้นก็สงบเลิกหมดหมายเหตุท้ายอานามสยามยุทธภาคที่หนึ่งแต่หนังสือเจ้าพระยาพระขังซึ่งเรียเปียงเป็นเนื้อความตามพระบรมราชกษัรรับสั่งแต่ข้างต้นนี้นั้นแล้วจะตอบยวนยวนไม่รับไปจึงโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาบดินเดชาที่สมมตนายกมีท้องตราบังคับ สั่งให้เจ้าพระยาอนุภาพไพรพบเจ้าเมืองนครเสียมราฐแต่งกรมการเขเมรผู้ฉลาดถือท้องตราบัวกแก้วหนังสือเจ้าพระยาพระขังไปส่งให้เจ้าเมืองกรมการฝ่ายยวนที่พรมแดนต่อกับเขเมรฝ่ายไทยครั้งนั้นทรงพระราชดํมริที่จะไปทำการศึกสงครามกับยวนให้เป็นพระเกียรติยศไว้ในแผ่นดินสยามตามขัตยราชประเพณีจบอาาจกสยามยุทธภาคที่หนึ่ง โปรดติดตามภาคที่2งในตอนต่อไป